หลวงพ่อปิดวัดไปสองอาทิตย์อาทิตย์ก่อนนั้นไปโรงพยาบาลอาทิตย์ที่ติดกันเนี้ยไปลาวมาสามวันสามคืนสามวันสามคืนไปนเทศเป็นทางการห้ารอบไม่เป็นทางการอีกหลายรอบเลย ที่ฐานทูตพวกเจ้าภาพฝ่ายเหลา่ามีพระเหลา่าอะไรแล้วสมสุดขิดไม่สบายกลับมาทั้งหลวงพ่อทั้งอาจารย์อาทั้งคุณแม่นี่หลวงพ่อเดี๋ยวจะต้องไปฉตดยา ที่จริงควรจะลาป่วยนะเห็นพวกเรามาเยอะนะพระห้ามป่วยนะหลวพ่อขอสอนรอบเดียวละกันะแล้วก็พอส อ, สอนพวกเราเสร็จนะขอบคุยกับพระคันตุกะเลยท่านะนเพิ่งไปฉันข้าวสัก8ปโมงครึ่งนะพ่อจะได้ปิดงานวันนี้ ัตตัวนี้ไม่นอนเป็นบัตรที่แย่บ้างนะกินยาก็ไม่นอนนะตื่นสมก็เป็นพู้ถูผู้รู้ผู้ตื่นนะแต่เบิกบานนะใจที่ฝึกไว้ดีๆนะ ม, ม, ม, ม, นมีความสุขเม่สบายก็มีความสุขร่างกายไม่สบายใจสบาย ค่อยๆฝึกไปนะเราจะเห็นผลของการฝึกของตัวเองนะเห็นคุณค่าตอนที่เรามีปัญหาชีวิตอย่างเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาจะตายอะไรเนี่ยนะเวลาพ ล, พลากจากสิ่งที่รักแก่คนที่รักเวลาเจอสิ่งที่ไม่รักเวลาไม่สมหวังอะไรเงี้ยคนทั่วไปก็ทุกข์มาก เราก็ทุกน้อยลงน้อยลงนะถึงจุดหนึ่งเราอยู่โดยไม่ทุกข์มีความสุขชีวิตที่เหลืออยู่เต็ไมไปด้วยความสุขงั้นบางคนคิดผิดนะคิดว่าจะภ า, า, าวนาตอนแก่สวนภาวนาตอนแก่สําเร็จจริงๆอ่ะเหลือเวลาแห่งความสุขน้อยน้อย การปฏิบัตินะหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆเราจะรู้สภาวะธรรมนะทั้งรู ป, ปรธรรมนามธ ร, รรมที่มันกำลังปรากฏแต่มันจะเลื่อมกันนิดนึงรู ป, ปรธรรมเนี่ยเราจะรู้รูปที่กำลังปรากฏจริงๆนามธ ร, รรมเนี่ยเราจะตามรู้นามธ ร, รรมนะที่เพิ่งเกิดขึ้นไปสดๆร้อนๆตามหลังมันนิดนึง รู้ตามหลังแต่รูปเนี่ยรู้ลงปัจจุบันขณะนามมรรมเป็นปัจจุบันสันติือสืบเนื่องกับปัจจุบันอย่างโกรธที่มาก่อนแล้วรู้ว่าโกรธโลภขึ้นมาแล้วรู้ว่าโลภหนะลงไปใจลอยไปเรารู้ว่าใจลอยรู้ว่าหลงนี่เรียกว่าปัจจุบันสันติแต่ดูกายนียดูปัจจุบันขณะ ขณะนี้กําลังหายใจออกขณะนี้กําลังหายใจเข้าขณะนี้กําลังยืนกําลังเดินกําลังนั่งกําลังนอนมีคําว่ากําลังคือหนาวตอนนี้เดี๋ยวนี้เยิ่งถ้าเราไม่เข้าใจหลักตรงนี้เวลาเราไปดูจิตใจเราจะรู้สึกว่ามันไม่เป็นปัจจุบันนะไม่เป็นปัจจุบันขณะโกรธไปก่อนนะีตอนมันจะโกรธทําไมไม่รู้ถ้ารู้มันก็ไม่โกรธ มันโกรธเพราะมันไม่รู้นะฮะเยไม่ต้องไปฝืนธรรมชาตินะโกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธแต่ต้องรู้แบบกระชั้นชิดเมื่อวานโกรธวันนี้รู้ใช้ไม่ได้ตอนนี้ยเปิกบานบางคนจิตเบิกบานขึ้นมาก็เห็นความเบิกบานมันผุดขึ้นมาแล้วอย่าไปประคองจิตเอาไว้อีกเนี่าไปทําจิตให้นิ่ง ปล่ให้จิมทํางานให้เป็นธรรมชาติจริงๆเลยแล้วตามดูลงไปแล้วเราจะได้เห็นของจริงการปฏิบัติไม่ยากอะไรหรอขั้นแรกหัดรู้สภาวะให้ได้ร่างกายหายจออกร่างกายห้เจอเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งมีสติตามระลึกรู้ไปรู้ไปได้่อย มีความสุขมีความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายมีสติรู้มีความสุขมีความทุกข์มีความเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจก็มีสติรู้มีกุศลอกุศลเกิดขึ้นในใจก็มีสติรู้อย่างบางทีเราเกิดฉันทะอยากปฏิบัติเราก็มีสติรู้ว่าโอ้ ขยันภาวนาวันนี้อยากปฏิบัติล้ะนี่มีฉันทะไปเดินจงกรมเดินกะว่าจะเดินสักชั่วโมงหนึ่งเดินไปห้านาทีสิบนาทีขี้เกียจละกุศลคือฉันทะดับแนละ้วเกิดอกุศล น, นะเกิดความขี้เกียจขึ้นมาเนียเราตามรู้ไปเรื่อยเป็นชดชรู้เป็นชดชไปเรื่อยไม่ใช่ของยากนะ นี่เรามีสติรู้สภาวะรู้สภาวะแล้วต่อไปเราก็พัฒนาปัญญาคือเห็นความจริงของสภาวะงั้นรู้สภาวะอยู่เฉยเฉยใช้ไม่ได้นะอย่างรู้ว่าท้องพองรู้ว่าท้องยุบรู้ว่ายกเท้ายางเท้ามันแค่มีสติไม่ยังเป็นสมะถะกรรมฐานอยู่ยังไม่ขึ้นวิปัสสนา ต้องเห็นความจริงของสภาวะก่อนนะถึงจะเป็นวิปัสสนาอย่างเราคอยรู้ทันใจของเราเนี่ยใจเราเดี๋ยวก็เป็นผู้หลงไปคิดอันนี้ใจมีโมหะชื่อว่าอุทธัจจะโมหะชนิดอุดทธัจจะหลงไปคิดเ็อมีสติระลึกรู้ได้ว่าเมื่อกี้เนี่ยหลงไปคิด พอเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะไปดึงจิตขึ้นมานะจิตจะเข้าที่ของมันเองพอเรารู้สภาวะแล้วนี่จิตหลงไปคิดก็รู้นะพอรู้ทานปุ๊บจิตหลงไปคิดก็ดับเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาเราก็ไม่รักษาจิตผู้รู้ไม่ประคองเอาไว้นักปฏิบัติหัดใหม่ทุกคนแหละพอรู้ว่าหลง ก็จะบังคับจิตประคองจิตเอาไว้อึดอัดแน่นเป็นธรรมชาติของทุกคนเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อหันใหม่ๆก็เป็นนะจิตไปห น, นีไปรูว้ว่าหนีไปปุ๊บดึงเอาไว้เลยเป็นทุกคนอ่นะฉะนั้นจิตเลยมีสามแบบจิตหลงไปนะตัวที่หนึ่งหลงไปตัวที่สองรู้ว่าหลงตัวที่สามกลัวจะหลงอีกบังคับเอาไว้นะมีสามช็อต การที่เราเห็นจิตมีสมช็อตอย่างเงี้ยหลงไปรูนะ้เพ่งอย่างเงี้ยเรียกว่าเรามีสติแต่เรามีสติดูรูปธรรมนามธรรมเนืองๆดูไปเรื่อยๆแล้วอย่าไปหมายอย่าไปให้ความสำคัญมั่นหมายกับสิ่งที่ถูกรู้อย่างมันรู้ว่าจิตหลงไปคิด รู้ว่าจิตกำลังรู้ตัวอยู่รู้ว่าจิตกำลังเพ่งอยู่อันนี้เรียกว่าเรามีสติแต่เราต้องเห็นค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะค่อยๆระลึกไปเรื่อยถ้าเห็นใจรักเมื่อไหร่ขึ้นวิปัสสนาเมื่อนั้นถ้าไม่เห็นใจรักก็ได้แค่สมถะแล้วเราดูสภาวะให้ได้ก่อน พอเราดูสภาวะได้แล้วก็ดูลักษณะร่วมของทุกๆสภาวะที่แรกเรายังไม่เห็นลักษณะร่วมของทุกสภาวะเราเห็นแต่ลักษณะเฉพาะหรือเห็นตัวสภาวะ น, นั้นเช่นความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ว่า อ, อย่างนี้เรียกว่าโกรธความโลภเกิดขึ้นเรารู้ว่าอย่างนี้เรียกว่าโลภอันนี้ใจลอยรู้ว่าใจลอยดีใจเสียใจอะไรอย่างนี้นี่เป็นสภาวะธรรม เนี่ยเรารู้สภาวะนี่แล้วกเรามีสติถ้าสภาวะเกิดแล้วเราไม่เห็นอย่างร่างกายเราเนี่ยนั่งอยู่เราไม่รู้ว่านั่งเรียกว่าขาดสติร่างกายยืนเดินนั่งนอนหายใจออกหายใจเข้าเราไม่รู้เรียกว่าเราขาดสติจิตใจเราสุขทุกข์ดีชั่วเราไม่รู้เรียกว่าขาดสติที่แรกเราเห็นสภาวะแต่ละตัวแต่ละตัวสภาวะแต่ละตัวไม่เหมือนกัน ตัวโลภก็ไม่เหมือนตัวโกรธตัวโกรธก็ไม่เหมือนตัวโลภตัวดีก็ไม่เหมือนตัวชั่วเนี่ยแต่ละตัวไม่เหมือนกันตัวสุขก็ไม่เหมือนตัวทุกแต่ละตัวมีลักษณะเฉพาะของตัวเองมันทำให้เราสามารถแยกได้ว่าสภาวะธรรมอันหนึ่งแตกต่างจากสภาวะธรรมอีกอันหนึ่ง ตรงที่เราเห็นสภาวะธรรมแต่ละตัวนะมันมีลักษณะเฉพาะมันทำให้เราแยกได้ว่าสภาวะธรรมนะี่หลากหลายทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนามธรรมมีเจบตัวถ้าแยกลงไปถ้าแยกละเอียดมีประมาณร5 0ยห้าสบตัวไม่ต้องตกใจนะเอาเท่าที่ทำได้อย่างน้อยได้สองตัวพอละจากร5 0ยห้าหรือจาก72สองเนะี่ย เอาให้ได้สองตัวพอแล้วแต่ตัวหนึ่งก็คือจิตอีกตัวหนึ่งคือกรูปธรรมนมามธรรมทั้งหลายต้องมีจิตไว้ตัวหนึ่งก่อนเรียว่าจิตผู้รู้พอเราแยกสภาวะได้เราจะพบว่าสภาวะแต่และตัวไม่เหมือนกันนะเราดูไปที่ตัวมันโกรธขึ้นมาเรารู้ว่ากาลังโกรธนะมันโกรธขึ้นมาเรารู้ ความโกรธมันจดับให้เราดูความโลภเกิดขึ้นเรารู้ความโลบก็ดับให้ดูความสุขเกิดขึ้นมาเรารู้ความสุขก็ดับให้ดูความทุกข์เกิดขึ้นเราก็รู้ความทุกข์ก็ดับให้ดูร่างกายหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ร่างกายที่หายใจออกดับไปเกิดร่างกายที่หายใจเข้าขึ้นมาแทนเราก็รู้เนี่ยคอยรู้อย่างนี้เรื่อยๆ เราเห็นสภาวะแต่ละตัวนะเกิดแล้วก็หายไปเกิดแล้วหายไปสุดท้ายเราจะจับลักษณะร่วมของทุกๆสภาวะได้ที่แรกเราเรียนรู้สภาวะแต่ละตัวแต่ละตัวไม่เหมือนกันเพราะแต่ละตัวมีลักษณะเฉพาะของมันเองลักษณะเฉพาะเรียกว่าวิเศษลักษณะวิเศษก็คือพิเศษนั่นเองมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว แต่มันก็มีลักษณะร่วมของทุกๆุกตัวการที่เราเห็นสภาวะท่างหลายเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยสุดท้ายปัญญามันจะเห็นลักษณะร่วมจะเห็นลักษณะร่วมของทุกตัวคือทุกตัวเหมือนกันในความไม่เที่ยงทุกตัวเหมือนกันในการที่ทนอยู่ไม่ได้นานทุกตัวเหมือนกันในการที่บังคับไม่ได้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา อ น, นิจจังก็คือของที่เคยมีนะมันดับไปอยู่ไม่ได้ทุกขังก็คือของที่กำลังมีเนะี่ยกำลังถูบีบคั้นให้ดับไปอนัตตาของจะมีหรือของจะดับเราสั่งไม่ได้เป็นไปนตามเหตุนี่เป็นลักษณะร่วมของสังขารทั้งหลายของรูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายจากที่เราเห็นลักษณะร่วมของมันได้นี่เรียกว่าเรามองทะลุเข้าไปเห็น เดินม้ปั ส, สนาละถ้าเห็นเฉพาะตัวมันเห็นแต่วิเศษลักษณะนะยังไม่เป็นมิปั ส, สนาแท้ๆหรอกไม่ถึงเพราะฉะนั้นที่เราเห็นสภาวะเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะจุดที่จิตมันปิ๊งขึ้นมาว่าเอ้ยสุขกับทุกข์เกิดแล้วดับเหมือนๆกันดีกับชั่วเกิดแล้วดับเหมือนๆกันเนี่ยเห็นลักษณะร่วม จิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางเลยความสุขเกิดขึ้นจิตมันมีปัญญารู้ว่าอยู่ชั่วคราวจิตก็ไม่กระเพื่อเฟื่องฟูขึ้นมาเพราะความสุขเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นนะจิตก็มีปัญญารู้ว่าความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็ดับจิตที่จะไม่ห่อเหี่ยวไม่เศร้าโศกเสียใจไม่ขัดเคือง ดัง น, นไม่ว่าอะไรจะเกิดนะจะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วเนี่ยจิตที่มีปัญญาแล้วนะเข้าใจลักษณะร่วมของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันเหมือนกันมันมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่ระหว่างสุขกับทุกข์และดีและชั่วก็คือความเป็นไตรลักษณ์เมื่อเราเห็นอย่างนี้อย่างแจ่มแจ้งเนี่ยจิตจะมีปัญญาสูงสุดในฝ่ายโลกิยะแนละ คือจะมีปัญญาเชิงกระทั่งเป็นอุเบกขานะเป็นกลางต่อความปลุกแต่งทั้งหลายทั้งปวงจิตที่เป็นกลางเข้ามาถึงตัวนี้แล้วเนี่ยตัวนี้เป็นทางแยกสายที่หนึ่งอินทรีย์ยังอ่อนอยู่จิตเข้ามาสู่ความเป็นกลางแล้วก็เสื่อมไปเสื่อมได้นะยังเป็นโลกียะอยู่สายที่สอง พวกที่หวังพุทธภูมิจิตมาสู่ความเป็นกลางแล้วก็เสื่อมได้อีกเดีก็กลับมาอยู่ตรงนี้ไม่สามารถผ่านไปได้รอจนวันที่ได้พบพระพุทธเจ้าได้ไปสร้างบุญบา ร, รมีใหญ่กับพระพุทธเจ้าและตั้งความปรารถนาในพุทธภูมิในขณะนั้นจิตต้องถึงอุเบกขาตัวเนี้ไม่ใช่เป็นพุทธภูมิด้วยความโลภอยากเป็น แต่ว่าเป็นอุเบกขาถ้าไม่ได้อุเบกขาท่านไม่พยากรณ์ยังอ่อนนะักนะทางที่หนึ่งเมื่อจิตเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาแล้วเนี่ยทางที่หนึ่งคือเสื่อมอย่างพวกเราขึ้นมาล้วก็เสื่อมสะสมไปนะเส้นที่สองคือเส้นพวกพุทธภูมิพวกนี้ยังไงก็ไม่ผ่านไปเกิดอริยมรรคเส้นที่สามเป็นทางแยก ทิ้งโลกิยะเข้าสู่โลกุตตระเงินตรงสังขารู้เปกขายานจิตที่มีสังขารู้เปกขายานเนี่ยมีทางแยกได้สามช่องแนหนึ่งเสื่อมแล้วก็ทำใหม่ดีบ้างร้ายบ้างไปพวกหนึ่งทรงอยู่ได้นะมีกำลังมากถ้าเป็นพวกโพธิสัตว์บารมีสูงๆเนี่ยแต่ไม่ตัดนะไม่ตัดอาสวะ ไม่ตัดสั่งยศอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าสาวกภูมนะิอย่างพวกเราภาวนาไปนะจิตเป็นกลางบวิทีตัดทะลุเข้าไปเลยเข้าโลกุตละเลยนะจิตจะเข้าถึงความเป็นกลางได้เมื่อจิตเข้าใจอย่างท่องแท้ถึงสามัญญลักษณะลักษณะร่วมของสภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวงนะ แต่ถ้าเห็นแต่ตัวสภาวะเรียกว่ามีสติถ้าสามารถเห็นลักษณะร่วมได้นีเรียกว่ามีปัญญานี่สติกับปัญญานี่จะพาเราพัฒนาตัวเองพอรู้เรื่องไหมง่ายมากเลยนะพูดแทบไม่มีภาษาบาลีเลยนะทีแรกก็หัดดูสภาวะไปก่อนสภาวะอะไรเกิดขึ้นในร่างกายคอยรู้สึก สภาวะอะไรเกิดขึ้นในจิตใจคอยรู้สึกนะที่หนึ่งนะหัดรู้สภาวะไปเรื่อยจะเข้าไปแทรกแซงสภาวะนะรู้เฉยๆจะสุขหรือทุกข์คดีหรือชั่วจะหายใจออกหรือหายใจเข้าจะยืนหรือเดินหรือนั่งหรือนอ น, อ น, อนแค่รู้เท่านั้นมีสติตามะระลึกไปเรื่อยแล้วต่อไปพอเราเห็นสภาวะแต่ละตัวเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยนะ สุด้ปัญญารวบยอดมันเกิดขึ้นรู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังนั้นเป็นวิปัสสนาปัญญาขั้นสูงเลยนะในฝ่ายโลกียะถ้าจากนั้นจะเป็นปัญญาในโล ก, กุตระละปัญญาในโล ก, กุตละะเกิดชั่วขณะแว บ, บเดียวเท่า น, นั้นเองก็ล้างกิเลสตายหมดนะงั้นวันหนึ่งเราจะเป็นพระอรหันต์ได้ แต่วันนี้ต้องเริ่มต้นด้วยการรู้สภาวะทั้งหลายที่มันกำลังเป็นอยู่กำลังมีอยู่ขณะนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมขณะนี้พยักหน้ารู้สึกไหมขณะนี้หายใจอยู่รู้สึกไหมเ น, นี่ยคอยรู้สึกไปเรื่อยๆรเราจะเห็นว่ามันมีตัวหนึ่งไป็นคนรู้สึกนะสิ่งที่ถูกรู้กับสิ่งที่เป็นตัวรู้มันแยกกันอยู่ แต่อย่าไปจ้องใส่ตัวผู้รู้นะอย่าสแสวงหาตัวผู้รู้แค่รู้ว่ามีตัวหนึ่งมีสิ่งบางสิ่งเป็นคนรับรู้ในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายอยู่แล้วค่อยๆเรียนไปถ้าเราไปเพ่งใส่ในสิ่งที่ถูกรู้ก็เป็นสมถะไปเพ่งใส่จิตผู้รู้ก็เป็นสมถนะก็จะติดอยู่ตรงนั้น ปล่อยให้มันทำงานให้เป็นธรรมชาติไปขณะ น, นี้ใครใจลอยบ้างมีไหมเนี่ยใจลอยก็เป็นสภาวะหนึ่งนะเรียกว่าอุทัด จ, จะฟุ้งไปใจลอยไปรู้ทันนะขณะ น, นี้ใครใจแน่นๆขึ้นมาบ้างนะยังไม่เห็นเองเลยเกือบทั้งห้องเลยพอรู้ว่าใจลอยก็แน่นนะ แต่แน่นน้อยๆเลยวางฟอร์มว่ารู้อยู่ไม่แน่นอันนี้ยังแน่นเลยรู้สึกไหมเร า, าอันนี้เพ่งอยู่ให้รู้สภาวะไปนะาการไปเพ่งไว้ก็เป็นสภาวะอันหนึง่งนะเพ่งก็รู้ไปได้ๆเนี่ยหัดรู้สภาวะไปทีละตัวทีละตัว เดี่ยทีหลังปัญญามันปิ้งขึ้นมาเองว่าทุกตัวมีลักษณะร่วมลักษณะร่วมคือสามัญลักษณะนะถ้าเข้าใจความจริงว่าทุกตัวเหมือนกันหมดนะสุขกระทุกตีกระทั่วเหมือนกันด้วยความเป็นตร ล, ลับนะจิตที่จะเป็นกลางเป็นอุเบกขาอย่างแท้จริงด้วยปัญญาสังขารูปเปก ข, ขาญาณญาณคือปัญญา เป็นปัญญาที่ทำให้เกิดอุเบกขาในความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งเป็นครูปธรรมและนมามธรรมเป็นกลางแล้วมันดียังไงนะเป็นกลางเป็นจุดตั้งต้นของอริยมรรคมันจะถึงคำว่าสักว่ารู้สักว่าเห็นพวกเราชอบพูดเพอเจอร์เนี่ยเดี๋ยวนี้สักว่ารู้ว่าเห็นพูดไปเอย่ยแหละไม่สักว่ารู้ว่าเห็นจริงหรอกสักว่ารู้ว่าเห็นเนี่ย น, นะสติปัญญาต้องแก่กล้ามากๆเลย ของเราเห็นสภาวะแล้วยินดียินร้ายจิตดิ้นรนปรุงแต่งไม know, them, ่เห็นต่างไม่เรียกว่าสักว่รู้ว่าเห็นเรียกว่าสักว่ไม่รู้ไม่เห็นมากกว่านะสักว่รู้ว่าเห็นจะเกิดเมื่อปัญญาแก่กล้าแล้วเห็นทุกอย่างเท่าเทียมกันเพื่อแค่รู้แค่เห็นไม่ปรุงแต่งต่อคําว่าสักว่รู้ว่าเห็นหมายถึงว่าเมื่อรู้แล้วไม่ปรุงแต่งต่ออย่างเราเห็นจิตเราไหลไปเนี่ย ที่เห็นม่าไหลเนะเกิดผู้รู้แล้วเราไม่ได้หยุดแค่นี้เรายังปรุงต่อเราไม่ชอบจิตที่ไหลล้ว เ, เลยประคองจิตเอาไว้ก็สร้างพบขึ้นมาอันหนึ่งพบพอนักปฏิบัตินะแข็งทื่อๆอยู่แต่ถ้าเราเห็นความจริงนะใจมันมีปัญญามากจริงนะเห็นมันไหลก็สักว่าเห็นนะไม่เกลียดมันใจเป็นกลาง เป็นกลางแล้วดียังไงเป็นกลางแล้วไม่ปรุงแต่งต่อไม่ปรุงแต่งต่อแล้วเป็นยังไงถ้ากําลังมากพอนะบุญบา ร, รมีมากพอมันก็จะไปเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งธรรมะที่พ้นจากความปรุงแต่งคือพนนันิชภานะการที่เราคอยรู้สภาวะไปเรื่อยนะรู้ แต่และตัวแต่และตัวเห็นมันเกิดแล้วดับไปดับไปดับไปในสุดปัญญาแก่รอบเห็นทุกตัวมีค่าเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งดีกับชั่วเนี่ยเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์นะแต่ในทางจริยธรรมไม่เท่าเทียมกันผลที่ได้ไม่เหมือนกันดีก็มีผลในความสุขชั่วก็มีผลเปนความทุกข์ แต่ว่ามันเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรักษณหมายถึงว่าดีหรือชั่วก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นทุกข์เหมือนกันบังคับควบคุมไม่ได้เหมือนเหมือนกันเนี่ยเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยด้วยสุจิตเป็นกลางพอจิตเป็นกลางจิตก็หมดการดิ้นรนสักว่ารู้ว่าเห็ น, นถ้าบุญบา ร, รมีพอจิตจะรวมเข้าอาัปปนาสมาธิรวมเองนะเราไม่ได้รวมหรอกมันรวมของมันเองเลยในขณะนั้นนะ มันรวมแล้วมันจะมาเดินปัญญาอยู่ภายในนะยังเป็นโลคิยาอยู่นะตนี้เป็นปัญญาเดินปัญญาอยู่ภายในสองสามขณะแล้วถ้าปุณปะมีเต็มเนจิตจะวางรูปธรรมนามธรรมทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้ไม่ใช่จิตผู้รู้นะตรงนี้ไม่ใช่จิตผู้รู้มันจะทวนเข้าหาตัวธาตุรู้จิตผู้รู้พวกเรามีอยู่แล้ว แต่ธาตุรู้ของเราเนะี่ยมันยังถูกปกปิดอยู่ถูกอาสวะกิเลสปกปิดห่อหุ้มยานทัศนาของเรายังไม่เข้มแข็งพอที่จะทะลุเข้าไปมองเห็นตอนที่ได้พระโสดาบัตนะโสดาปฏิมากเกิดมันทวนกระแสะเข้ามาถึงตัวธาตุรู้แล้วสิ่งที่ห่อหุ้มธาตุรู้แตกสลายออกแตกออกนะกระจายออกไป จิตก็จะเห็นตัวพนิพานเป็นความว่างความบริสุทธิ์เป็นความเบิกบานที่ไม่มีอะไรเหมือนที่หลวงพู่ดูลเรียกว่าจิตยิม้มจิตยิ้มไม่ใช่ตัวนิพาณ น, นะจิตยิ้มคือจิต ท, ที่เห็นพนิพาณและสัมผัสความสุขอันมหาศาลของพนิพาน เดีวันหนึ่งเจะเข้าไปสู่ตรงนี้แต่วันนี้หัดดูสภาวะไว้ให้ดีเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดูไปเรื่อยๆแล้วต่อไปจะเข้าใจลักษณะร่วมของทุกๆสภาวะตัวนี้เป็นวิปัสสนาชั้นสูงเข้าใจแล้วจิตเป็นกลางจิตเป็นกลางจิตก็ไม่ปรุงแต่งต่อเพราะจิตไม่ปรุงแต่งจิตก็พ้นจากความปรุงแต่ง ตัวโลกุตตะคือสภาวะที่พ้นจากความปรุงแต่งแต่มันมีกระบวนการที่จะเข้าสู่ตรงนี้นิดหนึ่งนะจิตจะรวมเข้าพันาสมาธิจิตจะไปเดินปัญญาในชั้นละเอียดสองสามขณะจะเห็นว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดับไปแต่เราจะไม่รู้ว่าคืออะไรนะเพราะสัญญาในขณะนั้นจะหมายรู้แต่ความเป็นไตรลักษณ์จะไม่หมายรู้ ว่าอันนี้คือความสุขอันนี้คือความทุกข์อันนี้คือความดีความชั่วนะจะไม่หมายแต่จะหมายเห็นแค่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับสองขณะสามขณะถ้าเป็นพวกปัญญีสีแก่กล้ามีปัญญาแก่กล้านะจะเห็นสองขณะถ้าไม่แก่กล้าจะเห็นสามขณะนะพอเห็นแล้วจิตก็จะวางโลกิยะ กาวกระโดดไปสู่าธาตุรู้ไปสู่โลกุตระในโลกุตระเนี่ยจิตมันเป็นาธาตุรูนะ้ตรงที่ก้าวกระโดดเนี่ยชั่วขณะเดียวแวบเดียวเท่านั้นพอก้าวกระโดดเข้ามาถึงนะอาสวะกิเลส ท, ที่ห่อหุ้มอยู่เป็นเปลือกที่หุ้มจิตอยู่จะแตกแตกออกแตกนะแตกออก ตรงที่แตกออกเนี่ยเป็นเกิดช่วงที่เกิดมรรคค่ากิเลสแตกแล้วมันจะเกิดผลตามมาอาริยผลจะตามมาทันทีเลยไม่จะเกิดอันแรกที่เห็นเลยนะว่างอันที่สองสว่างอันที่สามเบิกบาน แต่บางคนจะเห็นสองอันว่างกับสว่างจิตเป็นอุเบกขาอย่างนี้ก็มีนะบางคนจะเห็นสามอันว่างสว่างเบิกบานที่หลาปู ด, ดูลได้ว่าจิตยิมถ้าจากนั้นอาสวะก็จะกลับเข้ามาครอบคลุมจิต ใ, ใหมนะ่ปิดบังทาตรู้ไว ถ้ารู้ไม่ตายนะแต่เรามองไม่เห็นเพราะถูกห่อหุ้มถูกปิดบังเอาไว้ด้วยอาสวะกิเลสมันก็กลับมาเป็นจิตผู้รู้งื้นจิตผู้รู้เนี่ยยังอยู่ใต้อำนาจของอาสวะกิเลสโดยเฉพาะอาวิชชา ส, สบะตัวอวิชชาหัวจบของตัวอาสวะ กา ม, มาสวะพระวาสวะอวิชชาสะสามตัวนี้อาสวะถามว่าพวกเรามีธาตุรู้ไหมพวกเรามีหมาก็มีแมวก็มีมดก็มีนะพูดผีปีศาจสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตนสุรกายมีธาตุรู้ไหมมีแต่ไม่สามารถแสดงตัวออกมาได้เพราะถูกอาสบะกิเลศห่อหุ้มไว้ วันที่สติปัญญาทะลุทะลวงทำลายอาสวะเข้าไปนะมันเริ่มมาจากเห็นสภาวะนะแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแต่และตัวเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปตรงนี้จริงๆเขาก็จัดว่าเป็นวิปัสสนานะแต่เป็นวิปัสสนาอ่อนๆหน่อยแล้วตรงที่มันเข้าไปถึงความเป็นกลางเนี่ยเป็นวิปัสสนาระดับสูงก็ เ, เป็นกลางจิตก็จะหมดการดิ้นรน เมื่อจิตหมดความดิ้นรนนะ่ะจิตจะรวมเข้าอาปาณาเองทําไมมันรวมได้ก็จิตที่ดิ้นรนมันแสสายไปทางตาหูจมูกลกิ้นกายใจนัำสายวุ่นวายไม่ได้เข้าฌานอย่างจิตพวกเราเนี้ยเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาทางหูทางใจวิ่งฟุ้งซ่านไม่ได้เข้าฌานแต่จิตที่หมดแรงดิ้นรนหมดการดิ้นรนะมันรวมลงที่จิตดวงเดียวมันก็เข้าฌาน บางท่านเข้ารูปฌปานบางท่านเข้าถึงอรูปฌปานนะแล้วแต่ว่าเคยฝึกอะไรมาชํานาญในรูปก็เข้ า, ารูปชํานาญมาทางรูปนะก็เข้าที่รูปอย่างพวกเราดูจิตเนะี่ยตอนที่บรรลุมรรคผลยบางทีเข้าอารูปไปเลยแตนะ่ถ้าเราเน้นที่กายมามากๆนะที่เข้าที่กายเข้ารูป แต่ก็ไม่แน่บางองค์บารมีท่านเยอะนะดูกายนะ่ยแลทะลุเข้าอารูปเลยก็มีตรงนี้ไม่แน่นอนนะ่ะแล้วแต่จิตจะเป็นไปเองจําได้ไหมที่สอนมา น, นี้ยากไหมหารู้สภาวะแต่ละตัวแต่ละตัวมีลักษณะเฉพาะโลภก็ไม่เหมือนโกรธไม่เหมือนหลงสุขก็ไม่เหมือนทุกข์ไม่เหมือนเฉยเฉยเนี่ยดูไปนเงี้ยนะดีก็ไม่เหมือนชั่วหายใจออกก็ไม่เหมือนหายใจเข้า ยืนเดินนั่งนอนก็ไม่เหมือนกันนี่หัดรู้แต่ละตัวแต่ละตั ว, ตตวไปนะจนกระทั่งตามาสติสมาธิมันเข้มแข็งขึ้นนะมันจะเป็นคนดูอยู่แล้วมันจะเห็นสี่นี้พุดขึ้นมาแล้วก็ดับผุดแล้วก็ดับดูเขายิงพลุกเคยดิดูไหมยิงฟนะลุกหลวงพ่อเคยดูตั้งแต่รุ่นบางไฟไปยานานผะุดขึ้นมาแล้วก็ดับผุดขึ้นมาแล้วก็ดับ เราเห็นแต่ละดวงยิงขึ้นไปสว่างจ้าเดี๋ยวก็ดับอย่างนี้ดูไปไ ด, ได้สุดท้ายมันจะรู้เลยไม่ว่าอะไรโผล่ขึ้นมาดับทั้งหมดจิตจะเป็นกลางสักว่ารู้ว่าเห็นสักว่ารู้ว่าเห็นจิตจะไม่ดิ้นรนถ้าจิตไม่ดิ้นรนจิตจะรวมเข้าฌานเข้าอัปปนาสมาธิแล้วจิตที่มันเดินปัญญาสืบเนื่องมาจนอันตโนมัติเนี่ยมันจะเดินปัญญาในฌานสองสามขณะ ไม่เหมือนกันนะหัจากนั้นมันจะวางรูปธรรมนามธรรมทวนกระแสเข้าหาธาตุรูนะ้ตัวเนี้ยช่วงขณะจิตเดียวนะเรียกโคตรภูเป็นยานข้ามโคตรข้ามจากโคตรปุถุชนมาเป็นโคตราริยาเพาเข้ามาถึงตัวธาตุรู้อาสวัแตกคลนะ้ายๆเจาะทะลุเข้าไป เปลือกมันแตกจิตก็สัมผัสความว่างความสว่างความเบิกบานพระนิพพานว่างในขณะนั้นประกอบด้วยปัญญาอย่างยิ่งด้วยแต่ว่าไม่ได้หมายรู้อะไรเลยนะสว่างสวัยไร้ขอบเขตนะยิ่งถ้าเราภานาดูได้ละเอียดเนจะเห็นนเป็นช็อตๆเลย สว่างว่างเบิกบานถ้าดูเป็นนะเห็นแต่ส่วนหนึ่งดูไม่เป็นจิตล้างกิเลสไปแล้วนะนับไม่ทันดูไม่ออกว่ามันมีตั้งเจ็ดช็อตในช่วงที่ล้างกิเลสเนะี่ยดูไม่ออกแต่ถ้าสมาธิเราดีปัญญาเราดีเลยเราจะเห็นเจ็ดช็อต ถ้าจากนั้นจิตจะถอนออกมานะกลับมาสู่โลกข้างนอกเนี่ยแล้วมันจะย้อนกลับไปดูเลยว่เาเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นมันจะเห็นว่าสิ่งใดเกิดก็สิ่งนั้นดับไม่มีตัวตนที่แท้จริงเห็นละวสักยติฐีขาดแล้ไม่มีเราเหลือไม่มีกระทั่งเงาของความเป็นเราเอย่าว่าแต่ตัวเราเลยนะเงาของความเป็นเราเขาไม่มีอยู่ในจิตอีกต่อไปแล้วจะเห็นได้ชัดจเจนด้วยตัวเอง ไม่สงสัยนะแต่ถ้าเป็นพวกดูได้ไม่ละเอียดนะล้างกิ เ, เลสแต่ก็ยังไม่รู้เลยนะแต่ว่ามันไม่มีเราและมองไม่เห็นไม่รู้มันมีคำพูดว่าเป็นเราเหลหือแต่คำพูดว่าเราอย่างโ น, น้นเราอย่างนี้แต่ในใจจริงๆมันไม่มีนะไม่เหมือนกัน วันนี้หลวงพ่อต้องขอเวลานอกนะแค่นี้นะรอบสองเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วนะพวกเราอย่าสนใจจยเรียนอย่ามาเรียนจากผู้ช่วยสอนอยู่อาไปกินข้าวไปหลวงพ่อจะพูดกับพระ